อาหารก็เช่นเดียวกันถ้าทานมากเกินไปอิ่มมากเกินไปก็ไม่สบายหิวมากเกินไปก็ไม่สบายเยอะอาหารไม่ถูกธาตุเกินไปก็ไม่สบายทาให้เกิดการแปรปนปวดท้องปวดไส้อืดอัดนะอย่างนี้ก็ความแปรปนของว่ า, ากรรมจิตอุตุอาหารความไม่พอดีของทั้งสี่ประการนี้เป็นเหตุของทุกทางกายนะ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 การปรับอกคือตัดคือประหารคือขจัดคือบำบัดนี่คือตัดที่สมุทยนะทุกต้องระวังสมุทยต้องบำบัดต้องตัดต้องแก้อันที่สามให้ปรับให้เสมอต้องปรับเปลี่ยนให้อยู่เสมอเสมอนะแล้วปรับเปลี่ยนอย่างรู้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 นามนะ่านา ม, มีลักษณะอย่างไรนามมีความรู้กายความรู้สึกทางกายนีย่ที่เราสวดไปเมื่อกี้ว่าเรื่องเวทนานะความรู้สึกที่เป็นเวทนาก็มีสามอย่างนะสุขรังเวทนาเวทยียาโนเมื่อรู้สึกสบายก็ให้รู้ว่ารู้สึกสบายนะทุขังเวทนาเวทยามีติประชาติทีให้รู้ชั ด, ชด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 ทุกขังเวท hi, นาเวทียามีติประชานณิให้รู้ชัดๆว่านี่คือความไม่สบายความสบายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ความสบายแต่ความสบายคือความไม่สบายเนี่ยให้รู้ชัดๆแบบเนี้ยคําว่าประชาณติคือรู้ให้แจ่มแจ้งรู้ให้ชัดเจนรู้ให้สว่างคําว่าประชาณติบางครั้งมันเกิดข้องมันเองเนยความรู้สึกไม่สบายเนี่ยไม่รู้นมาจากไหนนะบางครั้งมันมีสิ่งกระตุ้น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 กล่ในรถสัมผัสก็ลักษณะเดียวกันซึ่งจะต้องมีการคัดกันเลือกกันอ่าใช้อยู่ตลอดเวลาในะเรื่องของวัตถุเนี่ยเรายังใช้บางข้างบางข่าวที่จําเป็นแต่งเงี้ยของนาธรรมมันตลอดเวลาเลยทีเดียวมันตลอดเวลา น, นั้นเองเราก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษอย่างที่กล่าวมาคุณจะต้องมีความรักที่จะธรรมและมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษา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 อีสี่ห้าคล้ายกันชันทะคือความศรัทธาอันเดียวกันวิริยะและวิริยะในอีสีห้าก็มีวิริยะในอิธิบ่ายสีก็มีวิริยะเพราะนั้นเราก็ถอดออกมาใช้ว่าเออเพียรที่จะทำขยันยกขยันเดินขยันกําหนดขยันตามรู้ขยันตามรู้ไม่ว่าอีาบทเล็ก ๆ, ๆน้อยตามรู้ได้หมดนะจะขยับซ้ายย้ายขวา